บางทีรางวัลของคนดีก็ไม่ใช่จะมีคู่ที่สมหวังแบบเร็วๆเมื่อใจเป็นบุญมีความนิ่งพอคู่แท้จึงปรากฏตัวบางทีรางวัลของคนดีก็ไม่ใช่จะมีคู่ที่สมหวังแบบเร็วๆธรรมชาติอาจกระเกี้ยวให้เราเจอทุกข์เสก่อนเพื่อใช้ความทุกข์นั้นเป็นบันไดก้าวสู่ความสุขที่เหนือกว่าความรัก และเมื่อถึงจุดความนิ่งจริงๆถึงจะยอมเปิดตัวคนรักที่แท้ให้กับเราบางคนถ้าใจยังวุ่นๆยังหยุดยังนิ่งไม่เป็นขืนคนที่คู่ควรกับเราโผล่มาตอนนั้นเขาก็อาจพลาดจากเราไปไมีอาจเป็นคู่ครองร่วมกันอย่างถาวนได้เพราะอาจินตกรรมคือนิสัยของเรายัางอาจเป็นตัวทำลายสัมพันธภาพกับคู่แท้ของเรา ต่อเมื่อผ่านความเจ็บปวดเรียนรู้จากความผิดพลาดเห็นจังหวะจากโคลนแบบต่างๆของชีวิตมาเข้าพอใจเป็นบุญมีความนิ่งพอจะรองรับกับคู่แท้ถาวรได้เขาถึงจะปรากฏ ต, ตัวไม่มีรักแท้ในหมู่คนไร้ธรรมะดังนั้นอย่าท้อแท้กับความดีพอเราเปลี่ยนมาอยู่กับกระแสธรรมะ ความเป็นตัวจริงของเราถึงเริ่มปรากฏซึ่งก็อาจเป็นเหตุให้คู่แท้ของเราปรากฏตัวเช่นกัน